วันนี้ภาคบ่ายไม่ต้องเดินนะเดินไหมฮะมารอความรอนิวนกันสัหน่อยทุกทีทุกทีทกทพอฉันประทานข้าวทานอาหารเสร็จเราก็ไปเดินจยงกลมเพราะเรากลัวว่า ง, ง่วงทีนี้เราก็นั่งตอนทานข้าวเสร็จเรานั่งเลยเพื่อให้มันง่วง ออลอความง่วงนี la, ่แหละช้าไม่ได้แล้วเราว่าวันๆนะอนี่ไอ้หนูอายุเท่าไหร่ครมากหรือน้อยนอะอันนี้มันเป็นสัญญาณเป็นแสงเงินแสงทองนะ แส่งเงินแสงทองบอกให้เรารู้ว่าอย่าประมาทเลยประมาทไม่ได้นะจากการที่เราปฏิบัติกันนะไม่ว่าจะไปปฏิบัติสายไหนเราสังเกตเราสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันเรา มันสามารถให้ <c oughs> ผลของการภาวนาเคยพูดย้ำกับพวกเราหลายครั้งมันจะส่งผลสี่ประการประการที่หนึ่งอนัิชาลุวิหรุยะประการที่สองอยาปันนเจตโซประการที่สามสัโตประการที่สี่เอกะขะตะจิตัสสะอัจฉตังสุสมาหิโต ประการที่หนึ่งนะพิชานุนะมนจะมันจะริดรอนความอยากออกไปความอยากของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันจะริดรอนในส่วนที่มันเกินความจำเป็นในริดรอนในส่วนที่มันไร้าสาระออกไปเขาเรียกว่าความเล็งซึ่งความอยากพวกนี้มันงอกออกจากความโลภอีกทีหนึ่งความโลภโดยปกติที่เธมานในชีวิตประจาวันเนี่ยของปุถุชนนะมันจะมีความโลภในส่วนที่ว่าทำงานเก็บเงิน ประหยัดเงินดูแลค่ า, ชาใช้จ่ายไม่สุรุ่ยสุร่ายใช่ไหมรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนไม่ให้เสียไปแล้วก็เป็นความโลภในลักษณะที่ว่าถ้าของหายตามหาถ้าของมันชำรุดบูรณะซ่อมแซมนี่เป็นเรื่องราวของความโลภปกติแต่อนาพิชาลุตัวนี้ มันเป็นความอยากที่มันฮอกขึ้นมาจากความโลภอีกทีหนึ่งซึ่งมันเป็นความอยากที่มันเกินความจำเป็นเช่นรถมีอยู่แล้วกลับไปบนถนนเห็นคนอื่นก็ขับรถมาหรือไปถึงที่ทำงานเพื่อนก็เอากุญแจใหม่มาอวดเอารถใหม่มาอวดใจมันก็เลยอยากได้ขึ้นมาถามว่ามันเป็นประโยชน์ไมในในขณะนั้นไอ้นั่นอะมันเป็นความโลภชนิดที่เรียกว่าเพ่งเล็ง มันฮอกออกมาจากความโลภอีกทีหนึ่งซึ่งความโลภพวกนี้ความอยากพวกนี้มันจะถูกริดรอนออกไปโดยอัตโนมัตินี่อาศัยเป็นผลของของการอบรมทีนี้ถ้าถ้าเรารู้อย่างนี้ไอ้ความเพ่งเล็งอย่างนี้มันไม่ดีเราก็สามารถที่จะริดรอนมันไปเองด้วยกำลังสติแต่มันก็พอมันเกิดปับ๊บเราก็ริดรอนมันเสียเอเกิดปับ๊บเราก็ริดรอนมันเสียถ้าเราสามารถนะนะ แต่ผลของมันจะริดรอนตัวที่สองอพยพันเนเจอพยปันเนเนเจนโซเนี่ยหมายความว่าใจเนี่ยมันจะนุ่มมากขึ้นคำว่าใจนุ่มหมายความว่าเป็นใจที่หุดหิตน้อยลงมันจะอภัยมากขึ้นหุดหิตน้อยลงจะอภัยมากขึ้นแล้วก็จะมีความรู้สึกดีๆ กับคนรอบข้างมากขึ้นแต่มันไม่ใช่งโง่นะแต่มันจะมีความรู้สึกดีๆรู้แหละไหวคนนี้มันชอบมินทาเราซึ่งทุกทีทุกทีเราจะรู้สึกเปลี่ยนที่หน้ามันไอคนนี้มันรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันเป็นคนเดียวที่มันทำลายความสุขในชีวิตของเราที่เราเจอหน้า <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเราจะรู้สึกดีกับเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็เราก็จะมันเป็นโดยธรรมชาติของการผลของการ เดิอนสตินะนี่เรียอภัยยาปันเทนเจริใจมันพร้อมที่จะอภัยซึ่งแต่เดิมมันพร้อมที่จะเปิดศึกอันนี้ตัวที่สองที่เราจะได้ในชีวิตประจำวันเราคิดดูง่ายๆเนี่ยถ้าเรามาภาวานากันแบบเนี้ยนี่รุ่นเร า, ร, เ ร, ารุ่นเราไม่รู้จะไปโกรธใครกันแล้วใช่ไหมมีไหมมีคนโกรธเป่าจริงอะ่งอะไม่มีคนโกรธแล้วต้องหาคนโกรธมั้งไม่เงั้น ไ, ไม่มีสภาวะ ต้องหาคนโกรธมักงนะทําไม่งันไม่มีสภาวะฝึกแล้วจะได้ดูความโกรธอ่าทีนี้ข้อที่สองเนี่ยมันจะหายไปโดยธรรมชาติเวลามันมากระทบเราทุกคนจะมีสิ่งที่ไม่ถูกใจพอะอะไรมากระทบแล้วทำให้เกิดความไม่ถูกใจมันจะงุดหงิดมันจะปฏิฆะมันจะรู้สึกไม่พอใจซึ่งผลของการอบรมต่อเนื่องอันนี้มันจะหายไปมันพร้อมที่จะอภัยมันรู้แล้วว่าไม่ถูกใจ แต่มันสักแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยไว้เป็นเรื่องของเขามันวางได้ด้วยกำลังของสติประการที่สามสโตคือมีสติมากขึ้นมีสติในการใช้ชีวิตมีสติในการแปลงควันมีสติในีในชีวิตประจำวันนะมีสติในการแปลงควันมีสติในการอาบน้ำมีสติในการล้างหน้ามีสติในการแต่งตัวมีสติในการอุจจาระปัสสาวะมีสติในการ ทำกับเข้ามีสติในการทําความสะอาดบ้านมีสติในการที่จะเจรจากับคนในครอบครัวมีสติในการที่จะเจรจากับลูกน้องมีสติในการที่จะเจรจากับเจ้านายมีสติในการที่จะปฏิสังคมต่อคนต่างๆมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นเราก็ต้องคิดสภาพดูว่ามันจะดียังไงนะถ้าเรามีสติในการที่จะพูดผลมันก็จะออกมาดีใช่ไหมถ้าไม่มีสติ หรือสติน้อยอารมณ์มันก็จะเยอะมีสติมากมีสติอารมณ er ์ก็จะหายไปทุกอย่างมันจึงออกมากลั่นกลองออกมาที่เป็นประโยชน์ทั้งคนพูดและคนฟังโทษมันก็นเลยหายไปเนี่ยมีสตินั้นทุกอย่างแปลงควันอย่างมีสติมีสติแล้วแปลงควันกับไม่แปลงควันแล้วกมากับแปลงควันอย่า ง, งไม่มีสติเปิดเพลงควังเพลงไปด้วยเปลงควันแล้วก็ทิ่มสุด้วยวสุดใจเดี๋ยวก็เหือกพังทิวบ้ ใช่ไหมฮะเออแล้วก็ขี่ไปทุลุยทุลอย่าเงี้ยแล้วก็เหือก็พังหมดมีสติในการอาบน้ำมีสติในการอาบน้ำฮะอาบน้ำอาบให้เป็นเห็นน้ำไหลต้องกายาเห็นสมูถูไปมา เย็นกายาและเย็นใจกินข้าวมีสติในการกินข้าวเคี้ยวข้าวทุกคราวคำที่เราเคี่ยวข้าวแทบจะนับคำข้าวที่เคี้ยวเลยมีสติมันดีไปหมดอ่ะมีสติแล้วมันมีโดยธรรมชาติไม่ใช่ว่าตั้งใจให้มันมีจากการฝึกฝนอบรมเรายังรู้สึกว่านิสัยสันดาณบางอย่างก็งเรามันทำไมมันหายไปไหนวะ มันเปลี่ยนไปคนบางคนที่ชอบให้เราเป็นคนนิสัยอย่างนี้แต่พอเราเปลี่ยนไปมันก็แปลกนะจริงๆเราฝึกฝนอบรมทุกอย่างมันเป็นไปตามตาม s t a n ที่สภาพใจเราเนี่ยมันมีสามชั้นสำหรับที่จะเก็บพวกนี้ชั้นลึกที่สุดเรียกว่าอนุสัยอันนี้เราเราเราไม่สามารถใช้การฟังเทศเราไม่สามารถใช้การอ่านหนังสือ เราไม่สามารถใช้การเรียนรู้เข้าไปปรับปรุงกระบวนการต่างๆในอนุใสได้การอบรมการเรียนรู้การปรับปรุงทั้งหมดเนี่ยมันจะเข้าไปได้แค่ส่วนหยาบส่วนหยาบที่ชื่อว่าวิติกมะ <c oughs> และก็สามารถลงไปได้ถึง ริยุทธฐานนะแต่ว่าไอ้วิธีกรรมะส่วนหยาบคือส่วนส่วนที่สุดท้ายที่จะมาร่วมกับการกระทำของเราเนี่ยส่วนสุดท้ายที่จะมาร่วมกับการกระทำของเราเช่นว่าการการตัดสินใจเรื่องอย่างนี้มันผิดพลาดบ่อยครั้งทำไม่เกิดการเสียหายเราก็ไปฝึกฝนอบรมศึกษาเรียนรู้ปลูกฝังหลักการเหตุผลประกอบในการตัดสินใจก็มาใช้ได้ในส่วนที่หยาบนี้ ทำอย่างนี้แล้วลูกน้องไม่พอใจเกิดความเสียหายเรารับรู้ผลเป็นประสบการณ์เราก็ไม่ทำสามารถที่ยับยั้งได้ในส่วนที่หยาบนี้ทำอย่างนี้แล้วสามีไม่พอใจหลายครั้งแล้วพอเราทำอย่างนี้ก็ไม่ชอบทำอย่างนี้แล้วเขาไม่ชอบทำอย่างนี้แล้วก็ไม่ชอบศึกษาเรียนรู้ผลของมันเห็นโทษของมันเราก็ปรับปรุงเราก็ไม่ทำแต่มันเข้าได้แค่แค่ชั้นหยาบยาผิวเปลือกนี้นี่ นันส่วนที่เป็นปริยุทธฐานนะคือชั้นกลางกลางเป็นพวกนิวร์นะ่ที่ที่เป็นสายของที่มันกวนกุณอยู่ขั้นชั้นกลางเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงมันไม่ต้องไปนับถึงเรื่องของอนุสัยที่มันนอนอยู่ในฐานทีนี้ถ้าเราปล่อยเราไม่ฝึกฝนอบรมสตินะไม่เจริญสติเราปล่อย เราคิดไม่ดีครั้งหนึ่งความคิดไม่ดีเคลื่อนไหวในจิตใจเราหนึ่งครั้งเนี่ยมันลงไปถึงนนทรนะลงเลยมันไม่ขึ้นนะเวลาขึ้นเวลาเราไปจัดการได้เราไปจัดการได้แค่แค่อะไรแค่ผิวเปลือกแต่เวลาเราสะสมมันลงไปถึงนอ น, น, อน่นเพราะฉะนั้นอนุสัยมันจะนอนเนื่องมากขึ้นเรื่อยรื่อยรื่อยรืยนี่แหละมันจึงจาเป็นต้องอาศัยพระพุทธเจ้า พอเราจัดการเรื่องพวกนี้ได้เราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าที่โอ้ช่างเป็นผู้มีพระคุณต่อเราอย่างล้นเหลือเพราะได้มีวิธีการจัดการถึงชั้นของอนุสใสอนุสสไส ย, ยะในอะนเราวั น, นอนเนื่องลึกพอเราทําอะไรไปปุ๊บคิดเราคิดไม่ดีแค่ครั้งเดียวมันลงไปถึงนู่นแต่เวลาเราจะจัดการใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันแค่เปลือกมัน คิปเลือกมันพอนั่งสมาธิปีหนึ่งเราได้กี่นาทีอะซึ่งการอบรมการฝูกวจิตประจําต จ, จำเป็นที่ว่าพอเราได้แล้วทำแล้วฝึกฝนแล้วปฏิบัติแล้วจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจบวันในส่วนที่เป็นตัวเดียวคือสติทังนั้นฝึกแล้วจะบอกว่า ไม่มีไม่ได้แค่เอาไปใช้อย่างเมื่อเช้าที่เรานั่งสมาธิพอเรานั่งปับ๊บพอเราออกจากสมาธิปั๊บเราสังเกตได้เลยมันยังนิ่งยังเย็นอยู่อะไอความนิ่งความเย็นนั้นอะแต่พอจิตเคลื่อนไหวไปเสพข้างนอกไปคิดไปปรุงแต่งอย่างอื่นปับ๊บมันก็ใช้ความนิ่งความเย็นของเราที่เป็นสตินั้นหมดไปพอเรานั่งปับ๊บนิ่งเย็นเฉยยังอยู่ใช่ไหมเราจะลุกขึ้นเนี่ย เพื่อนยั่นั่งอยู่เรายังต้องระวังเลยการรู้จักผิดชอบชั่วดีอย่างละเอียดยังคงอยู่กับสมาธิและอุเบกขาที่ยังนิ่งอยู่ที่มีสติครองตัวอยู่ตรงนั้นที่ทรงตัวอยู่แต่พอคุยโทรศัพท์หรือไปคุยกับเพื่อนหรือไปเข้าน้ำจิตมันหลุดออกจากกายหลุดจากสิ่งใช้สมาธิและอุเบกขาที่มีอยู่เหลืออยู่นี่น่อยนั้นนะหมดไปเรื่อยๆพอหมดปับ๊บเข้าสู่สภาพเดิมถูกปะถูกแล้ว เลวที่มันเคยทรงตัวสภาวะที่มันเคยเกิดและทรงตัวอยู่มันยังอยู่ในอำ น, นาจของสัญญาเราชาวสามารถใช้สัญญาตัวนั้นน่ะน้อมระลึกและเอาสตินั้นมาใช้ได้น้อมระลึกและก็สตินั้นมาใช้ได้มาใช้เลยเพราะฉะนั้นมาใช้ด้วยวิธีการสารวมระวัง เช่นตั้งใจว่าเราจะมีสติช้าขึ้นมาตื่นขึ้นมาเช้านี้เราจะตั้งสติในการที่จะทำทุกอย่างเอาง่ายๆก่อนเลยเอ า, ากฉพาะเรื่องงานก่อนเข้าไปที่ทำงานปั๊บวันนี้เราจะเคลื่อนไหวด้วยสติเราจะไม่พูดจาอะไรตัดสินอะไรโดยไม่รอบคอบด้วยอารมณ์อะไรจะมากระทบถ้าเรามีอารมณ์เราจะไม่ตัดสินใจเด็ดขาดเราจะรองแล้วรองอีกและใช้สติให้รอบคอบในการตัดสินใจ ฝึกมันอย่างนั้นแล้วพอทำปั๊บมันเกิดเอตุปั๊บแล้วเราใช้สติได้ทำได้มันก็ไปต่อยอดความมีสติให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไงบ้ามพระพุทธเจ้าบอกว่ า, าโยนิโซมะนสิกาโ ร, รสติตราอาหารโหติข้อคิดดีๆการคิดดีๆการคิดอย่างแยบคายเป็นอาหารของสติ เพรการที่เราสามารถใช้สติได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งมันก็จะต่อยอดเป็นอาหารของสติบำรุงกันไปเรื่อยๆเป็นวงจรอย่างนี้สติก็จะถูกครองตัวอยู่แข็งแรงขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นซึ่งสติตัวนั้นอ่ะมันจะใช้ป้องกันส่วนหยาบและส่วนกลางบางบางส่วนทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเราสามารถระวังส่วนหยาบได้อักุศนเกิดน้อยนะ เริ่มน้อยแล้วนะเมื่ออากัสรเกิดน้อยการเคลื่อนไหวของอากุสลเกิดน้อยจิตเราไม่ค่อยตกอยู่ถ้าเป็นใต้อำนาจของกิเลสส่วนหยาบและกิเลสส่วนกลางนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าอนุสัยก็ไม่มีที่กักเก็บไม่เพิ่มปริมาณไม่เพิ่มใช่ไหมความหนาของอนุสัยก็จะไม่เพิ่มทีนี้เรามาฝึกในรูปแบบทีนี้ จะเริอนสติอย่างตรงๆเลยเต็มๆเลยทั้งสติทั้งสมาธิและปัญญาที่เกิดขึ้นตรงตรงไปตรมาเนี่ยที่ฝึกฝนในรูปแบบอย่างเงี้ยอันนี้ลงไปสู่อนุัยโดยตรงเพราะอะไรเพราะถ้าจิตสามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงได้นั่นคือการทำลายอนุัยก็จะเบาลงทุกอย่างมันก็เลยเข้ากันไปอย่างนี้ ส่วนกลางที่มันอยู่นะมันอยู่เบื้องหลังของส่วนหยาบทุกเรื่องอ่ะเช่นกามฉันทะส่วนหนึ่งเลยความพอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็นต้นนี่เรียกว่ากามฉันนี่อยู่ส่วนกลางนี่ตัวแรกนะตัวเดียวนะแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะดดนะพิจารณาดูนะก็คือสิ่งที่เราชอบทั้งหมด อาการที่ใจของเราเทเข้าไปหาสิ่งที่เราชอบทั้งหมดและไอ้ตัวที่ต่อยอดจากอาการนี้เป็นส่วนหยาบไอ้ตัวนี้ที่อยู่เบื้องหลังนี่เป็นส่วนกลางทั้งหมดตัวเดียวตัวที่สองพยาบาทอาการที่ใจเราไม่ชอบและกระเพื่อมเพราะกระทบกับสิ่งที่ไม่ชอบหรือมีความไม่ชอบ ที่มันกระเพื่มไปตามอาการที่มันไม่ชอบแล้วก็ไปกระทบกับสิ่งต่างๆนี่ตัวที่สองที่เรียกว่าพยาบาทก็เยอะแล้วสองตัวนี้ก็เยอะแล้วใช่ไหมโดยธรรมชาติเลยอะ่ะแล้วก็มีแล้วใช่ไหมสามตัวที่อาการที่จิตเรามันขี้เกียจมันเสื่อมซึมช้าหดหูเหนื่อยหน่ายหมกมุ่นชุ่มแช่จมปลัก หาทางออกไม่เจอซึมใจลอยทั้งหมดนี้อยู่ในเรื่องที่สามเรียกว่าถีนมิทธะเรื่องที่สี่มันเคลือบแคลงสงสัยลังเลไม่ไว้วางใจเกิดความระวงังเกิดเกิดความเคลือบแคลงแล้วทำให้เกิดความไม่มั่นใจตัวนี้เรียกว่าวิจิกิจาเป็นธรรมชาติใจที่เป็นแบบเนี้ ซึ่งมันครองอยู่ชั้นกลางตัวที่4คุ้งซ่านดิ้นรนสับสนมันมีอยู่ชั้นกลางซึ่งมันเป็นผลทาให้การใช้ชีวิตในประจำวันของเราไม่มีสติอยู่เบื้องหลังต่อที่ว่าเรียกว่าอารมณ์ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจใช้อารมณ์ในการพูดใช้อารมณ์ในการเคลื่อนไหวใช้อารมณ์ในการการะทา มาจากห้าตัวนี้เป็นเบื้องหลังของคำว่าอารมณ์ทั้งนั้นฮะทีนี้ระเบียบกฎเกณฑ์ในการใช้ชีวิตเช่นคนส่วนใหญ่เขาทากันอย่างนี้เราเรียนรู้มาอย่างนี้ศีลธรรมบังคับอย่างนี้กฎหมายว่าอย่างนี้กฎบ้านนี้ว่าอย่างนี้เราปฏิบัติตามนั้นไปตามนั้นไปก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการลดลงไปของนิวรณ์ น, นะ นี่วันยังคงอยูอ่เพราะฉะนั้นการใช้สติมาอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันจะมีผลต่อกิเิตทุนหยาบและชั้นกลางและก็สามารถมาฝึกต่อยอดให้ลงไปถึงอนุสัยได้ล้วบอกว่าเกี่ยวเข้าทุกคราค้ากรรมอะไร อะไรไม่รู้ลือมอะอาบน้ำกวาดขยะล้างจานกินข้าวกินน้ำจากที่หลับที่นอนทำความสงอาดบ้านทั้งหมดเป็นการเคลื่อนไหวสามารถเอาสติมาใช้ได้หมดเลยเพอสติมาเท่านั้นน่ะมันจะจัดการทุกอย่างลงตัวหมด เพราะสติมันจะทําให้เราเห็นคุณเห็นโทษเวลาใช้สติอ่ะอสมมติจะเดินข้าบ้านมาเนี่ยก่อนข้าบ้านมาทุกวันอพอพอข้าบ้านเราจะถึงบ้านเปิดประตูบ้านเข้าไปเจอคนนั้นก็ยิ้ม เ, เจอคนนี้ก็หน้าหุบเจอคนนั้นก็ไม่ถูกใจอันมีมีเรื่องไม่ถูกใจในบ้านอ่ะวันนี้เราเข้ามาเราตั้งสติก่อนข้าบ้านคําว่าตั้งสติหมายความว่าเริ่มมีสติแล้วแค่เราบอกกับตัวเราเองว่า วันนี้เราจะตั้งสติแล้วเราเห็นเนะ่ยเมื่อวานเราไม่พอใจเรื่องนั้นไม่พอใจเรื่องนี้ไม่พอใจเรื่องนั้นเราคุยกับตัวอะไรอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าเรียกว่าการปรึกษากับกา ร, รัชกายต้องหัดปรึกษากับกา ร, รัชกายหัดปรึกษากับกา ร, รัชกายดูสิว่าไอ้นิสัยสันดานของขันอันนี้ที่ถูกสมมุติชื่อว่านางสาวแดงเอ้เชื่อๆโควไปนะเดี๋ยวไปตรงกับชื่อโยมก็เดี๋ยวหาว่าโยม <laughs> ว่าไอ้ขันห้าที่ถูกสมมติชื่อว่านางสาวโกนางโกที่ใครใครเขเรียกว่าคุณยายโกคุณป้าโก อ, อย่างเงี้ยมันมีนิสัยสัญดานเป็นอย่างไรมองด้วยความไม่อคติปราศจากอคติไม่มีความลําเอียงแรงสิ้นอ๋อเมื่อวานเข้ามาถึงบ้านอยู่ที่บ้านยิบทีเชื่อวงนอกจากตอนนอนหลับทําอะไรมั่ง กระทบกับอะไรบ้างรู้สึกไม่พอใจใครบ้างดูตัวโทสะนี้ก่อนนะวิธีปรึกษากับการาชกรยให้ดูตัวโทสะก่อนถ้ามันเห็นตัวใดตัวหนึ่งที่มันมีใหญ่อยู่ก่อนแล้วเนี่ยมันจะทาจึงจะไปดูตัวโลภะตัวอะไรอื่นๆได้แต่ให้ดูตัวโทสะก่อนเพราะตัวโทสะเนี่ยมันจะเห็นง่ายโดยเฉพาะโทสะที่ดับแล้วไอ้โทสะที่กำลังทรงตัวอยู่อย่าเพิ่งดู อย่าดูเองเลยเพื่อนมาบอกให้ดูนี้จะด่ากลับด้วยใช่ไหมกาลังกรูไอ้โทสะกําลังเผาจิตเผาใจอยู่นี่ต่อให้หลวงพ่อไปเองก็เหอะเอ้ยเราเนี่ย้ปนะเมตตาเถอะเดี๋ยวก็โดนถ้าโทสะกําลังเผาใจอยู่ให้ดูตัวที่มันเกิดจบเรียบร้อยและดับแล้วก็คือดูย้อนหลังไปสักวันหนึ่งว่านิสัยสันดานของคนเนี้ยขาน้าเนี้ยเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรดูซิ เออแล้วเราก็มาตั้งสติวันนี้ว่าเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นเราจะมีสติเราจะไม่พูดอย่างนั้นก่อนพูดเราจะคิดก่อนก่อนพูดเราจะคิดก่อนก่อนพูดเราจะคิดก่อนแล้วเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะไม่ work of work of ทาอย่างนั้นไอ้ตัวนี้คือการทำงานของสตินะอัานการตั้งสติถือว่าเป็นการเริ่มมีสติและพอไปใช้ปับ๊บพอไปถึงปับ๊บถืมือเรา ไม่ก้อยเผมไม่ค่อยชอบหน้ายมภัยวันยกตัวอย่างเลยยมเนอะนะอุทิตตัวเองหน่อยเลยเสียสละหน่อยส ม, สมมติว่าไม่ค่อยชอบหน้ายมภัยวันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมาถึงเห็นหน้าปับ๊บจิตมันกำเริบทันทีไอ้วันนี้เข้ามาถึงต้องไม่ให้มันกำเริบอย่างนั้นต้องตั้งสติก่อนพอมาหเห็นหน้ายมไัวันผมมันทําท่าจะ ก, กำเริบแหรู้ทันแลมาแล้วมาแล้วถ้ามันไม่ค่อยอยู่ พอดูแกเยาหยวนเบิกเกินมันมันรังแต่ที่จะให้จิตเรากําเริบแผลเมตตาเลยอืแผลเมตตาวิธีแผลเมตตาก็คือว่าคิดหาข้อดีเพื่อยุติความรู้สึกอันนี้ให้ได้ยมภัยวันแกก็มีธาตุน้ําดินลงไปเหมือนกันกับเราเนาะแกก็เกิดมาตามอำนาจของกรรมในลักษณะตัวของแกก็มีกรรมเฉพาะตัวแกอยู่แล้ว ดำก็มีทําให้เกิดมีนิสัยสันดานมีลักษณะเฉพาะตัวของแก่เป็นประจําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของแกเป็นไปตามธรรมชาติของแก่การเคลื่อนไหวของเราก็เป็นธรรมชาติของเราการที่เราจะไปผูกโกรธหรือมีจิตกําเริบต่อการเคลื่อนไหวของแก่ไม่ควรยกตัวอย่างนี้ดูมันหยุดไหมอ๋อไม่หยุดอีกมันยังอยู่อีกใช่ไหมอ๋อล้างมันนั่งหนักเข้าไปอีกโ อ, อ้แก่ก็เกิดมาเนี่ย ตั้งแต่ก่อตัวตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ไม่มีร่างกายเป็นหยดน้ำใสๆอยู่ในท้องชั้นในของแม่แล้วค่อยๆก่อ ข, อขึ้นมาเป็นก้อนเนื้อโอ้ยแกน่าสงสารแล้วกว่าจะแขนจะโผล่มาได้หัวจะโผล่มาได้กว่าจะเกิดมาเป็นหัวใจกว่าจะเกิดมาเป็นลำไส้กว่าจะเกิดมาเป็นตับเป็นม้ามเป็นปอดเป็นอะไรต่างๆอยู่ในร่างกายแกเนี่ยกว่าจะโผล่มาได้แต่ละชิ้นหู้ยแล้อยู่ในท้องแม่แกก็นอนจมน้ําคร่าของแม่ของแกน่าสงสารคิดก้าวเดินที่อยู่ในท้องแม่นีก่ก็เยอะ คลอดออกมาจากท้องแม่กว่าจะออกมาได้นะโอ้โหแทบเป็นแทบตายและกว่าแกจะสู้ชีวิตของแกโตขึ้นมาได้รอดพ้นจากอันตรายซึ่งแกน่าจะตายไปตัง้งนานแล้วแต่แกไม่ตายน่าสงสารมาก <c oughs> <c oughs> ดูไว้ถึงหัวใจแกที่เต้นตึ๊บต๊บเต้น ต, ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่วันหนึ่งมันจะต้องหยุดเต้นอยู่แล้วเราจะโกรธหัวใจแกก็จะต้องหยุดเต้นเราไม่โกรธหัวใจแกก็จะต้องหยุดเต้นเสียสละหน่อยนะอย่าครับลูกเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> แกมีแต่เรื่องน่าสงสารมันจะทําให้อาการที่ทําให้ใจเรากระลริบน้อยลงแล้วเรื่องที่น่าสงสารเยอะกว่าล้างไปเลยอาจารย์ทินเป็นประสบการณ์ตรงค่ะและเราหว่างวันอ่ะทรงอารมณ์ได้ดีแต่มันหนูโดนตีตอนหนูหลับคือหนูพักหลังๆฝันแบบจนรู้สึกว่าพี่ที่สงสารหรือเปล่าแล้วกแบบ็ มันเข้าไปอารมณ์มันชากจนมันฝันใช่ไหมใช่แล้วไอ้ฝันนี่ยี่ง่ายเลยฝันน่ะตื่นขึ้นมาฝันนี่ตกง่ายมากล้างด้วยวิธีการปล่อยวางเหมือนตอนฝันนะไปแล้วแล้วกลับมาพอตื่นมันกลับไม่ได้เหมือนมันโดนโดนตีทะเลเลยสุดท้ายมันตื่นไหมล่ะตื่นตื่นแล้วมันหายไปไหมหายเออมันก็จบแล้วก็ล้างไปกับการการตื่นง่ายคือแสดงที่หนูติดผัานหนูกลับไปช ก็ก็ไม่แน่อาจจะหลายเหตุแต่ว่าเอาเฉพาะที่ว่ามันเกิดและจบแล้วเกิดและดับแล้วพอเราตื่นขึ้นมารู้ตัวมันหายแล้วจบแล้วโอเคปล่อยวางไปเะไม่ต้องเอามาคิดไม่ต้องเอามาสงสัยตั้งสติแล้วก็ว่ากันใหม่ในชีวิตประจำวันคือมันต้องทำให้จิตของเราเนี่ยนะมีประสบการณ์จากการที่เราเคยโกรธและเราไม่โกรธได้ จากการที่เราเคยเกลียดเขาและเราไม่เกลียดขึ้นมาได้จากการที่เรารังเกียจเขาจนทาให้เรารู้สึกว่าเราเกิดความรู้สึกสงสารเขาได้ให้จิตของเรามันมีประสบการณ์กลับคนละขั้วแบบนี้ด้วยการพยายามและการกระทาของเรานี่เรียกว่าการใช้สติในชีวิตประจาวันทาอย่างนี้ <c oughs> ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นและถ้าเราไม่ตั้งสติ ถ้ไม่ตั้งสติเสร็จเพราะมันมาแล้วก็ตั้งป้อมไม่ทันและสติโดยธรรมชาติเขาเนี่ยถ้าเราตั้งไว้แล้วเนี่ยมันจะส่งไปให้ให้พิจารณาสิ่งที่สติจะพิจารณาเห็นสองอย่างคือเรียกอัศทะปัสอาตราทกับอาทีนวะอศาศทะก็คือข้อดีคุณอาทีนวะก็คือโทษเพราะเวลาสติไปพิจารณา เวลาสติไปทำงานเนี่ยมันจะไม่เห็นคุณของของสิ่งที่เป็นโทษและมันจะไม่เห็นโทษของสิ่งที่เป็นคุณสิ่งนั้นมีคุณอย่างไรเห็นเป็นคุณอย่างนั้นมีโทษอย่างไรเห็นเป็นโทษอย่างนั้นเวลาสติทำงานมันจะเห็นคุณเป็นคุณเห็นโทษเป็นโทษแต่เวลานิวรณ์ทำงานเวลาทำงานด้วยอารมณ์นะแม้นว่ามันเห็นโทษเป็นโทษเห็นคุณเป็นคุณ แต่มันจะเอาสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษมันก็เอามันจะทําสิ่งนั้นไม่ว่ามันจะรู้ว่าเป็นคุณหรือโทษมันก็จะทำเนี่ยมันต่างกันตรงนี้แต่ถ้าสติสามารถแยกชัดได้ว่าอันนี้เป็นคุณอันนี้เป็นโทษและสติจะไม่ทําในสิ่งที่เป็นโทษต่างกันตรงเนี้นี่ในการทําตรอในทีชีวิตประจําวันถ้าจะเราทําอย่างนี้ให้จิตใจมีประสบการณ์กับการเคลื่อนไหวแบบนี้แหละ แต่นักปฏิบัติจริงๆก็ต้องเป็นแบบนี้นักปฏิบัตินะคนปฏิบัติขัดเกลาจิตใจเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องหัดทำตัวอย่างนี้ไม่ใช่่าเข้ายัางไงวันนี้มากันทำนั่งต่เจ้าเย็นๆอกอกจากงาการทาไม่ทันผ่านหมู่บ้านไปทะเลาะกับยาไม่ป้อมประตูแล้วแ <laughs> ส, สดกว่าสติร่วงแต่อัธนานีแล้ว อ้าวใช่ไหมสติเรี่ยราดอยู่แต่ว่านานี่แล้วเพราะไปทะเลาะ ก, กับรปภ อ, อยู่ตรงประตูทางออกอะ <c oughs> พอถามเาไปทะเลาะทำไมกับรปภละโยมโอ้ยอหลวงพ่อเนี่มันอย่างงี้นมันดูถูกคนอย่างโยมนะโยมอย่างงี้โอ้ <c oughs> ไกลเลย <c oughs> คนอย่างโยมนี่ไม่ได้นะอันนั่นคืออะไรสั ก, กายทิฏฐิอย่างแรงแต่ที่พูดเมื่อเช้าเนี่ย ถ้าเราสามารถละลายมันได้เหตุการ์พวกนั้นจะไม่มีเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เห็นไม่เห็นคนที่มีราคะโทสะโมหะคนปกติเนี่ยที่มีราคะโทสะโภหะแต่ที่เขาที่เขาเป็นโทรบันฑ์เราไม่เห็นสิ่งเคลื่อนไหวที่เป็นอกุศลของเช่นเราไม่เคยเห็นประวัติการประกอบอกุศลของนางวิสาขาทาัทาง้งทังทั้งที่แกอยู่และแกมีลูกตั้งยี่สิบคน นางวิสาขาเป็นอรหะเป็นโสราบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบมีลูกตั้งยี่สิบแม้แต่เราที่ไม่เป็นโสราบันถ้าเราใช้สติเราก็จะไม่ในสภาพการที่มีเหตุและปัจจัยแห่งอกุศลอกุศลควรจะเกิดมันก็ไม่เกิดนะถ้าตั้งสติ ก็ต้องตั้งไงถ้าถ้าเราเราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราตั้งสติขึ้นมาแล้วก็เราก็สามารถตามดูอกุศลที่เคยเกิดสำเร็จลงไปแล้วดับไปแล้วแล้วพอมันทำด้าจะเกิดเราก็ใช้สติเรื่อยเรื่อยเรื่อยเร่อยรืยรยทำบ่อยบ่อยบังบ่อยๆทําบ่อยๆนางมาริกาภริยาของพันธุละมหาเสนาบดีหญิงปุถุชนนะสามารถใช้สติ ดับอกุศลที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุปัจจัยและสภาพแวดล้อมให้เกิดอกุศลแต่นางมาริกาเนี่ยเป็นผู้หญิงในใจอัตมานีนางมาริกานาวิสาขารเนี่ยสองคนเนี่ยดับอกุศลโดยที่ไม่ให้อกุศลเหล่านั้นอะทำใจทำความคิดที่เคลื่อนไหวอย่างให้อกุศลให้กุศลด่างพร้อยเลย สามีและแกมีลูกหนักกว่านาวิสาขาแกมีลูกแฝดสี่กคู่ไอคนเนี้ยชายล้วนนะมีลูกสามสิบสองคนและเป็นเจาะเป็นขุนพลทั้งหมดเวลาพันธุลักับลูกชายรวมแล้วสามสาคนนั่งมานำทหารในสังกัดของตนมาที่หน้าหน้าพระตำหนาหน้าพระราชวังอ่ะโหอย่าว่าแต่ กองย่าว่าแต่เมืองของพระเจ้าปเสนธิเลยกองกําลังของปันทุระเนี่ยสามารถยึดอํานาจได้หมดอเปลี่ยนไกลมากพระเจ้าประเสนทิโกศลซึ่เป็นเพื่อนรักกันไปเรียนหนังสือมาจากมาอะไรเดียวกันเรียนมาอะไรเอกชนแล้วก็มีความสามารถพอกันพระเจ้าปเสนทิโกศลให้มาช่วยงานในฐานะบันทุระเนี่ยยึดอาํานาจทหารได้หมดแล้วก็บริหารก็ยึด ตุลาการก็ไปยุติอีกทีนี้ไอผ้ผู้ไอ้หน่วยที่มีอํานาจมีอำนาจตุลาการน่ะก็ไปเสี่ยมพระเจ้าประเสนทิว่าไว้ใจไม่ได้วันไหนที่เขาคิดที่จะยุดอํานาจกครงประชานพระองค์ก็จะไม่เหลืออะไรพระเจ้าประเสนทิโกศลหลงเชื่อเลยเอาทหารของพันธุรัษที่พันธุรักษ์ฝึกมาเนี่ยทำเป็นหน่วยกองโจรหน่วยเดินตายไปอยู่ที่ชายแดนและส่งให้พันธุรักษกับลูกชายไปปราบแล้วให้พวกเนี้ลอบปกประชน ลอบทาหารเทวราชแกเห็นทหารพวกนี้มันสู้ของเทวราชไม่ได้อยู่แล้วแต่พอแกเห็นว่าเป็นทหารหน่วยเดินตราที่แกฝึกฝนมาเองกับมือสอบถามรู้เรื่องราวว่าเป็นพระบรมราชโยงการของพระเจ้าประเสิทธิโกศลสั่งลูกๆห้ามกัดขืนเลยลั่งลงรอให้พวกนี้ประหารพวกก็ตัดศีรษะหมดทั้งสาบสาคนวันนั้นนางมัลลิกากําลังเลี้ยงพระอยู่ที่บ้านหัวหน้าเป็นพระสารีบุตร บุคคลนะมีพระเถระแบบสมณศักดิ์สูงๆทั้งนั้นตั้งแต่สมเด็จพระราชกนณะชั้นพรมยันเทพว่าเรียงไปเลอนั่งเต็มบ้านเลยนี่ไอคนในบ้านเนี่ยตอนนั้นเขารับหนังสือข่าวสารแล้วว่าพันธุระและลูกถูกตัดศีรษะหมดแล้วมันกระหึ่มแล้วข้างล่างแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งถือจดหมายน้อยมา ส่งนางมาริการนั่งอยู่ข้างหน้าพระสารีบุตรอย่างเงี้ยเหมือนวันเยื่อใวันอีกแล้วเหมือนยื่อใวันนั่งหน้าธรรมาอย่างเงี้ยแล้วก่อนั่งเสร็จก็มีคนเอาหนังสือมาส่งส่ ง, สงหนังสือให้ปั๊บว่าสามีและลูกสามีสองคนถูกตัดศีรษะเสียชีวิตหมดแล้วเก็บหนังสือเนี้ยตั้งสติเออตั้งสติปั๊บค่อยค่อยเก็บหนังสือเนี้ยพับใส่ไว้ที่ชายพก เขาเขียนมาใส่ไว้ที่ใช้พกก็แสดงว่านุ่งควาถุงใช่ป่ะใส่ไว้ที่ชัย พ, ก ก, ย พ, ยยพกก็นั่งนั่งอยู่เรียบร้อยเหมือนยมไปวันอย่างเงี้ยนั่งเรียบร้อยเท่านั้นภาษาดิบุตรพอสักพักหนึ่งเพราะเนื่องจากเรื่องมันดังแล้วข้างล่างมันตื่นเต้นกันแล้วไอ้นางทาสีคนหนึ่งมันถือถาดเนยใสใน ใ, ในใ น, ในร้อนอะ่ะเดินขึ้นมาผ่านหน้าพระจะลำเลียงเข้ามามือมันสัน่นทําถาดเนยใสมนตกแตก พอตกแตกภาษาริบูเดเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่แบบขาดความสำรวมระวังมีความเสียหายใช่ไหมกลัวว่านางมาลิกาเนี่ยใจจะกําเริบจะไปเอ็ดจะไปสร้างองกุศลกับนางทาสีคนนี้พระษาริบูรก็บอกว่านางแต่นี้นางมาลิกายัางนิ่งอยู่นะภาษาริบุดบอกเออไม่มาลิกาไปวันเอ้ยภาษาริบูรบอกว่า ของที่มันจะต้องแตกและมีความแตกเป็นธรรมดามันได้แตกไปแล้วโยมมาริกาอย่าอย่าคิดมากเลยในเรื่องนี้นางมาริกายิ้มแล้วก็ดึงกระดาษน้อยออกมาถ้าแต่พระคุณเจ้าโยมตั้งสติตลอดจะไม่ให้อกุศลเกิดเลยอย่าว่าแต่เรื่องถาดเนยใสยนี่แตกเมื่อตกี้ มีคนนำหนังสือมาให้บอกว่าสามีได้ลูกถูกตัดศีรษะเสียชีวิตหมดแล้วโยมยังไม่ยอมให้ความกาเริบใดๆทำลายกุศลของโยมเลยเจ้าข่าก็นั่งอย่างสงบเงียบเยียมไหมเนี่ยสติในปุตุชนเมื่อตั้งแล้วจะเป็นคุณอัศจ ร, รย์อย่างไรไม่เดียวว่าไม่ไม่ไม่ใช่โชดาบันนะนี่คือดังมริกานี่เป็นปุตุชนนะแล้ว โดยกำลังของนางมาริกาลูกสะพายทั้งสามสิบทั้งสคนเป็นนักรบหมดและทั้งหารที่ของพันธุระและของลูกชายทั้งหมดสวามิภักดิต่อนางมาริกาทั้งหมดพระเจ้าปเสนที่กลันกลัวมากทําเรียบๆเกียงเกียงเสด็จเข้ามาทําเป็นมาดูนางมาริกานะวา่าท่าทีเป็นยังไงดูนีนะ่นางมาริกาสั่งลูกสะพ้ายเรียกเขมาประชุมรับ ถ้าไม่มีคําพูดใดๆจากปากของแม่ให้ลูกทุกคนอยู่นิ่งๆและเฉยๆอย่ามีความกำเริบใดๆต่อพระราชาหรือต่อใครทั้งสิ้นนี่เด็ดขาดมากจนพระเจ้าประเสที่โกศลเสด็จเข้ามาหาเอ๊ะว่าจะมามไกลมาเล่าเรื่องนี้อีกแหละพระเจ้าประเสที่โกศลเข้ามาเสด็จเสียใจนางมาริกาแกเลยบอกว่า ถ้าควาบาทมีความเบตตาต่อหม่อมฉันก็โปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หม่อมฉันและลูกๆสักประการเดียวก็เป็นพอพระเจ้าปราเสดนจที่โกทนบอกว่าแม่บางทกาต้องการสิ่งใดหรือขอให้บอกเธอไม่ว่าจะเป็นอะไรเราจะให้ หม่อมฉันในลูกประสงค์ที่จะกลับไปอยู่บ้านเดิมขอพระองค์อนุญาตด้วยเถอให้ทันทีเลยพระนางมาริกาเรยพาลูกสะพ้ายกลับมันละแลวก็ว่ากันว่าเมื่อคราวที่เขาหามพระศพของพระพิจ้าจากต้นสาระเข้าไปมกุุพันธนาเฉดีระหว่างทางมีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งคุกเขา่าถือชุดลดามหาลาดาประสาสถวายต่อพระบรมศพก็คือนางมาริกานี่ เป็นผู้หญิงที่มีชุดมหาลดาประสาทด้วยคู่กับนางวิสาขานี่ปูุ่ชนนะปูุ่ชนเพรานสติถ้าเราตั้งขึ้นโดยเฉพาะเราได้ฝึกอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราใช้สติเราตั้งตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกตัวบนเตียงอะ่ะก่อนที่จะลุกขึ้นมาตั้งสติก่อนลองดูสักครึ่งวันก่อนก็ได้ ว่าวันนี้เราจะไม่ปล่อยให้อักกุศลใดๆกาเริบในใจของเราไม่ว่าจะเป็นความโกรธอะไรความขุนเคืองอะไรที่จะเกิดขึ้นเราจะไม่มีให้ไม่ให้ความโกรธความขุนเคืองอ น, นั้นมีอำนาจในใจของเราเราจะปล่อยให้มันดับและสงบระคับไปตามสภาพของมันจะไม่ทำตามอำนาจของมันถ้ามันเกิดจะไม่ทำตามอำนาจของมันตั้งสติไว้อย่างนี้พอมันทำท่าจะเกิดนะโดยเฉพาะถ้าเหตุปัจจัยเดิมๆเหตุปัจจัยเดิมๆ มันมาแล้วทําให้เราโกรธมันมาแล้วทําให้เราโกรธปัจจัยอะไรก็ตามที่มันเข้ามาแล้วมันทําให้เราโกรธมันเข้ามาแล้วมันทําให้เราโกรธที่เราเคยเห็นเคยโกรธมาเป็นประจำประจำพอเราตั้งสติปับ๊บพอปัจจัยอนั้นเกิดขึ้นเราจะรู้ทันทีว่านี่คือปัจจัยแห่งความโกรธของเราดูนี่มันรู้ไปถึงเหตุรู้ไปถึงที่ม า, ร, มารู้ไปถึงประจุปัจจัยนไะเพราะฉะนั้นความโกรธนั้นแค่แค่เหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่มันจะไม่โกรธมันรู้ทันน่ง มันรู้ทันเนี่ยอำนาจของสติมันอัศจรรย์ของพระเจ้าเนี่ยอและสติตัวนี้ถ้าเราถ้าเราประคองให้เขามีกําลังเพิ่มขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยเรื่อยรืยรืยรืยรยยมันก็จะเป็นใหญ่ในใจทันทีเลยเรียกว่าสตินทรีสตินทรีสามารถมีได้แม้เป็นปุถุชนไม่จําเป็นจะต้องเป็นอริยะไม่จําเป็นต้องเป็นโสดบรรสาบันนะสตินทรีสามารถเกิดได้คือมันเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในการเคลื่อนไหวชีวิตเป็นใหญ่ในการ พูดเป็นใหญ่ในการกระทำเป็นใหญ่ในการคิด